วุฒามาสุกันฟังท่้ยอไงไงวางธรรมเนี่ยการวางธรรมเหมือนกับการรักษาโลกความสอนเหมือนกับโอสดแล้วก็ยาเว่าโอเสตังอุฒามังวัลัง ที่ตั้งแต่บวนุชแสดงสภาวทุกข์สภาพะปญาสภาโลคาเป็นอาศัยโลกก็หายวัดนี่เหมือนกับโรงใย้บานก็สงเหมือนกับหมอ ธรรมะเหมือนกาจารักษาโลกปูะชาชนตรรมคนนำราคือคนป่วยพวกเราป่วยกันทั้งนั้นเป็นโรครูปโรคนามโรคเพราะจะต้องเกิดเจดเจ็บตายคือ แน่นอนเป็นสัจธรรมกีเิตเป็นของไม่เที่ยงก็เป็นโลกแล้วความตายเป็นของเที่ยงนั่นวัตตะควรที่จะสังเวชอจังกาโยร่างกายนี้อจีลังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิ ญ, ญญาโนคลั้นป่าเสจากวิญญาณแล้ว สุโธสุโธอเป ต, ตวิญญาโนอันเขาติเสียแล้วปาไ่ยวิงไอเสียสติจะนอนทับซึ่งแผ่นดินการเลงกาลังเอวหาประโยชน์หาประโยชน์ไม่ได้เนื้อถังว่าการเลงกาลังงั้นทอนมาและท่อนปืนนั่นเลิงเป็นพวกเราจึงไม่คนป่วยเป็นคนป่วย ต้องเกิดเจ็บเจ็บตายการฟังธรรมะเหมือนกับการรักษาให้ยาแก้การเกิดเจ็เจ็บตายยาอันสูงสุดคือธรรมะพระพุทธเจ้าก็ขอรบพระธรรมได้เปลี่ยนมาแล้วโดยเป็นอยู่ด้วยกำลังจะเป็นด้วย เราจึงเคารพก็ทำทำดีมันก็ดีทำชั่วมันก็ชั่วจะทำม้ตเตงเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ทำมาเตงเป็นทุกข์มันก็ไม่เป็นทุกข์จะทำมาเตงหลงมันก็ไม่หลงจะทำาคนตนเองโกรธมันก็ไม่โกรธ มันอยู่กับปารกระทำของเราเรียกว่ารักษาโลกความหลงความกรดความทุกข์ให้ได้ต่อไปก็รักษาการแก่เจ็บตายให้ได้ที่จุดจุดหมายปลายทางคือรักษาโลกหายแล้วแต่เราอย่งอาง ยอมจำนนต่อการแก่เจ็บตายแล้วก็โลกก็ยังมีอยู่ยังมีโลกเรื่อยไปวันนี้เราเป็นอย่างไรวันพรุ่งนี้ก็เป็นอย่างนั้นวันนี้เราไม่หลงพรุ่งนี้เราก็ไม่หลงวันนี้เราไม่ทุกข์พรุ่งนี้ก็ไม่ทุกข์ วันนี้เราไม่เจ็ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่เจ็ไม่เจ็บไม่ตายได้แม่พรุ่งนี้ก็เป็นไปยังวันนี้ปีหน้าก็เป็นไปตั้งแต่วันนี้ชาติหน้าก็ต้องเป็นไปตั้งแต่วันนี้ตอนนี้คือโลกที่เจะรักษาได้ปอดจากโลกไม่มีโรค อโลคยาปรมาราพาความไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐพระพุทธเจ้าไปยืนประกาศตามทางทางสี่เพ่งสามเพ่งสองเพ่งห้าเพ่งอโลคยาปรมาราพาความไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐก็หมายถึงโล ก, ก น, นี่แหละไม่ใช่ไม่โลกภัยไข่เจ็บอันนั้น มันก็มีมาแล้วเป็นรูปโลกโลกของรูปก็มีแล้วโลกของน้ำก็มีโลกโลกของรูปก็ตลายอย่างเจริมร้อนกเหนาวก็ีิวของปวดก็เมือ่อยก็เจ็บปวดเย็นนัง่งนั่นนอน ผูเยียดเคลื่อหนหวหายใจเข้าหายใออกมันเป็นโลกของรูปอยู่แล้วอนโลกอันนี้บางอย่างก็กําหนดรูปเฉยๆแก้ไม่ได้บางอย่างก็กําหนดรูปโดยการบันเทว์เช่นนั่งงานก็เปลี่ยนอาลีบทนั่งเป็นยืนแล้วนั่งนอนมันหนาวก็บันเทว่ผองผ้ามันร้อนก็อาบน้ํา อันหิวก็จินข้าวอันนี้เป็นของบรรเทาแก้ไม่ได้วันนี้เราหิวพวกนี้ก็หิวไม่ใช่แก้อ่ามันบรรเทาเฉยๆว่าโรคของนามนั้นเครีความโกรธความหลงความทุกข์ความรักความชังความวิตกกังวลเศร้หมองบอกวนคุณคิดนั้นรักษาได้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องบรรเทา ไม่ต้องกําหนดรู้เปลี่ยนได้เลยแล้วมันหลงเปลี่ยนไม่หลงเวลามันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์ให้ยาให้เป็นรับให้เป็นบริโภคยาดื่ ม, มลงไปธรรมะโอสดหลงเปลี่ยนไม่หลงเดือดื่มยาแล้วฉันยาแล้วกินยาแล้วยาไม่หลงคือธรรมะเป็นกุศลยาหลงคือ ธรรมะเป็นอกุศลอย่าไปกินแม้คนอดินจะบอกเรามันก็ไม่สําเร็จถ้าเราไม่เปลี่ยนเราความทุกข์มัเหมือนกันนะมันทุกข์ก็ัญญาเกิดทุกข์ให้ตัวเองกิดโลกมันเกิดโลกเพราะความมันเกิดโลกอย่างนี้พรตัวเรา แน่นมันไม่จริงเลยหรอมันก็ไม่เขี่ยวของคนอื่นจะด่าเราเราก็เราเองตัวเราเองคนอื่นจะนินทาสันเสียนเราก็เป็นเรื่องของเราเองให้เหงาโลกกันนี้ไปเรียกว่าโลกกระทำแต่เราให้คนอื่นซักเราเหมือนหนังตะลุงขอชักให้หัวเราก็หัวเรากอชักให้ร้องให้ก็หัวร้องให้มันไม่ใช่อย่างนั้นเราเองต่างหาก แน่นอนที่สุดเลยจงเพียนตรงนี้กันตัวใครตัวมันพระเราก็เพื่อนงินบอกกันเอาคำสอนเอาธรรมะที่เป็นทางหายโลกพ้นทุกมามาบอกกันมาทำกันคนบอกก็ทำแล้วคนฟังก็ทำอยู่แล้วถ้าบอกไม่ทำ มันบอกก็ไม่ทําไม่แต่จำมาพูดมันก็ตาคนตาบอดจุงคนตาบอดไปไม่รอดก็ตกครองหลอดทั้งนี้เขาว่านะตัเจ้าตาบอดจุงข้าเจ้าตาบอดไปไม่รอดตัวข้าเจ้าตาบอดจะจงตัเจ้าตาบอดเดีย๋ยวนี้ตุเจ้าก็คือพระสงฆ์ ข้าเจ้าคือยากเคโยงมตุเจ้าตาดีไม่จงตุข้าเจ้าตาบอดข้าเจ้าตาบอดจะจงตุเจ้าตาดีไปดูวัดอมงจะหมัยมหาจันย์เป็นเจ้าวาดจะหมายพระเจ้ากือดาไปเขียนหน่ย อจันทน อ, อาจันทนดักใสกาหนะ้าถูกนกแซวดักใสรวกาหน้าถูกนกแซวดักแทวทั้งต้นไม้ได้ปลาขาวอาจันทนะดักใสรากาดนาะ ได้นกแซลดักแห้วปนต้นไม้ได้ปาขาวมันเปลี่ยนดักไสก็ต้องเอาปาดักแล้วปนต้นไม้ ก, ก็ต้องเอานกแต่มันได้ดักไสมันได้นกแซลการดักไสนี่ก็คือมาทำสมาธิ มันจึงจะเป็นปลาปลาเหมือนก็นสมาธิคือสติไม่ใช่มันได้นกแซลนกแซลคือความคิดหมกมุ่นคุนชิดมันได้นกแซลไปแล้วเวลาไม่ปฏิบัติมันก็ไม่คิดอะไรไม่ห่วงอะไรเวลาปฏิบัติเขา้ามันก็มีอะไรมาแซลแล้วก็หลงไปกับตามแซลของเขา มันแชลหลายอย่างเหลือเกินเราเร า, เรามีสติอันไรที่มันหลงมันหลั่งไหลเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกเล่นกายใจมันจะทำให้หลงเพื่อเพื่อให้ปิดบังความรู้ไม่ให้มีได้ไม่ให้เกิดขึ้นได้เหมือนขอโมยลักคกวาลักควาย เราตามรอยวัวรอยควยไปเขารักควยเราไปทีนี้บ้านเขาก็เป็นบ้านที่ช่วยช่วยเป็นโจรแล้วก็ไล่ผู้งัวผูงควยทับรอยวอัวรอยควยของเราควายของเราที่เขาลักไปอะก็มีรอยเดินเข้าไปกับบ้านเขาพอจะเข้าบ้านมันก็ไปเข้าบ้านเขาซ่อน ซ่อนลอยไว้ก็ดึงออกจากทางลงทุ่งนาลงทุ่งนามันก็มีแต่น้ำเขาก็จงตามน้ำไปไปขึ้นคันนาแล้วก็ตามไปสกัดลอยดูมันขึ้นตรงนั้นมันข้ามตรงนี้แล้วก็ตามไปกินถ้าไม่ตามไม่เจะลอยมันก็ไม่ได้ไม่เห็นตัวควายที่เขารลก มันก็ต่างกันอยู่อันควายเรากับควายเขาหัวเขามันต่างกันอยู่ถ้าเราจำได้ติดตาแล้วดูจนติดตาเจะลอยไปเป็นหลายหลายบ้านพอเราตามไปมันหลงจงลงทุ่นามีน้ำขังนา ก็ข้ามคณาตรงนั้นข้ามคณาตรงนั้นขึ้นโคกขึ้นป่าแล้วก็ตามมันไปแล้วไปตามมันก็จูงเขาไปบนขี้เท่าไม่เชือกเขาเขาจุดไฟมันไหมแล้วมันเป็นเท่าไม่เชือกนั่นไหมตลอดน่ะเขาจูงไปตามขี้เท่าแล้วเขาก็ลบล่อยไม่เห็นแล้วก็ ไปตามดูรถดูที่เท่าไปที่เท่ามีรอยควายของเราเอางพอเดินก็ไปไปอยู่ดอนหนึ่งแล้วก็ตามไปเห็นมันผูกอยู่ไม่เห็นคนเห็นแต่ควายผูกอยู่เวลามันผูกก็ผูกเอาเขา่าเอาตะไคจะโบกมันติดพื้นนินเงยไม่ได้แต่อลองง้องเอยีย้ๆก็ไปเลยแล้วก็กล้มเราตามเข้าไป พอเราเห็นเราก็ไม่ปาดเราก็ไม่พูดดูรู้วมันมีคนอยู่นี่ไหมแล้วก็เดิน ล, บลอบๆดูหลายคนก็เดินรอบหรือว่าแอ บ, บอยู่แถวนั้นบางคนมีปืนก็เตรียมเงิอนออกมาจะยิงแถวไปเลยเอเขาจะยิงเราก็เราจะยิงเขาก็รู้นะว่าดีก็ไม่เห็นใครแล้วก็เห็นคำํำเราก็เราก็ไปควายกันออกมาอันนี้หลวงพ่อยังเคยตาม แัวก่อนคนรักหัวรักไขยกันมากทุกวันนี้ไม่มีร <c oughs> อยสิตีลําก็ต่างกันกับรอยหลงอยู่แม้จะมีกีเรื่องที่เกิดความหลงอ่ะมันไม่เหมือนขวางรูหรอกว่าแต่เราจับให้ได้ให้มั่นดีๆให้รูดอ่ะมันจะเจงตอนนั้นด้วยสังเกต ด, ดูรอยไายของเรารอยไขยเขาเหมือนต่างกันอยู่ <c oughs> เราก็จำได้แม่นจำ บ, บางคนไม่รู้จะจำดูรอยอะไรก็เหมือนรอยโขรอยแขวนวแต่เราเรูเจาะเอาเรามั่นใจก็ตามไปตามไปตามไปอ่ามันก็มาเหยียบทั้งหมดทุกลอยมันยังมีรอดแน็ดอยู่ต่างกันอยู่รอยควายเดินกับรอยควายจูงมันก็เหยียบดินมันหนักกว่ากันไราไล่มันนะมันก็เจ็บมันเขาโอ้ ไม่แทงคนมันเด้งไปมันก็เจ็บมันก็ยันหน้ายันหลังเหน้าเสนหลังมันดิ้นไปไม่เหมือนควายเดินธรรมดาแล้วก็สังเกตดูตอนนี้มันคงถูกตีมันยันดินแรงมันก้าวยาวก็ดูไปใช่ไหมคุณวิเราควายไม่ถูกตีมันก็เดินน้ำหน้ก้าวเท่ากันควายถูกตีนปืปื๊บปืไปแ้วก็สังเกตดูกดูไปแล้วก็ตามก็ค่อยฉลาดเดีย ตรงไหนที่มันจะหลงมันฉาดออันความรู้สึกตัวความหลงเนี่ยแหละตรงไหนที่มันจะหลงมนเกิดความฉลาดขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมนะเราจึงจาแม่นจริงๆอันตัวรู้ตัวหลงเนะี่ยจน่าเห็นตามันทั้งสองอันเปรียบเทียบกันได้เลยก็จับถูกจับตัวรู้ได้ ทิ้งตัวหลงได้ไม่สนใจตัวหลงไม้จะมีกี่เรื่องกี่เหลําเป็นจำเป็นอะไรที่มันจะหลงมันปวดเหรอมันจะหลงในตรงที่มันปวดเหรือมันจะหลงตอนที่มันหนาวมันจะหลงในตอนที่มันร้อนมันจะหลงในตอนที่มันหิวเหรอตกนั้นแหละดีที่สุดเลยมันจะหลงตอนที่ตาเห็นโลกหูได้ยินเสียงจมูได้เกลิ่นนั่นแหละมันดีอะไรเถอะอะไรที่มันจะหลงน่ะนี่ ไม่อย่าแกตัวเองขยันตรงนี้ทุกคนต้องสกกตาวาพุทธัตนังธรรมตนังสังฆัตนังเป็นที่พึ่งทุกวินาทีทุกของเชี่ยววินาทีไปเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนีย วิเนอรทีหนึ่งก็รู้ทีหนึ่งแลอย่างน้อยไม่ช้าไม่นานเกินไปอย่าไปนั่งเฉยๆจับความรู้สึกตัวกาหนดรูปกายให้มันได้เอากายนี่มากำหนดสติอย่าไปคิดรู้คิดรู้ออาไม่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่กายญานุัจนามันเป็นกินตะยานจินจะมายาปัญญาปัญญาที่ผิวเผินปัญญายกเมฆ ปันน้ำเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวก็ละลายยิ่งเลยกินแต่ไม่จะปัญญาใครก็ชิดได้ลูกคือกายไย น, น้ำคือความรู้สึกอะไรได้ใครก็จำได้แต่มันไม่เห็นไม่สัมผัส ด, ด้วยตนเองมันก็เลือนลางเหมนกัเราจับขนม ม อ, อะคนวขนงฝรั่งเขาเรียกเขาชอบกินอะไรเนะขาชอบกินอะไรกินนะเขาชอบกินอะไรช็อกโกแลต <laughs> ช็อกโกแลตช็อกโกแลตรู้จังไหมเร า, าช็อกโกแลตแล้วพ่อไปไหว้พระจันกับเขาที่ประเทศชาติ เขาไหว้พระจันั้นเป็นศาสนาพุทธแต่ฝ่ายมหายานเขามีพิธีหว้พระจันทนระ์มีพิธีมหาฉินศินโพธิสัตว์ด้วยเอาไปถือกันถ้าวันใดศินโพธิสัตว์ก็ให้อาจารย์เอาทูกจุดแฝงแดงมาจุดหัวเขาจะให้หลวงพ่อจุดเงเขาจะเอาหลวงพ่อเป็นอาจารย์หลวงพ่อก็ไมจุดอาจารย์ของ ของเราเนี่ยไม่ใช่อันแผลลอยทูป อ, อาจารย์ของเราคือความรู้สึกตัวถ้าเอาแผลเป็นตัวรู้สึกตัวมันไม่ได้ต้องเอาความรู้สึกตัวเป็นอาจารย์เราไม่เป็นอาจารย์ใครถ้าลอยไม่จุดของเขาเขาจะให้เราจุดนะแล้วก็แจกช็อกโกแลตให้ฉันกันพระธนายก็ฉันกันจมแจมจมแจมแจมแจมหลวงพ่ก็ไม่ใคยฉันนะช็อกโกแลตนะ หรือว่ามันมันเป็นอาหารหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นก้อนของเขี้ยวมันจะจะมันจะไม่ใช่อาหารแล้วมันเป็นของเขี้ยวของฉันมันต้องอบัตปาจิตตีพิจูฉันของเขี้ยวของฉันในเวลาวิการของฉันของเขี้ยวคือเขี้ยวคือเย่มอ๋อคือย่ำอย่างใช่ไหมแล้วของที่มันเขี้ยวเอามาเกินมันก็ผิดเหมือนกันนะ มันก็บข้าวเนี่ยของเคี่ยวเราหล่อเป็นก้อนก่อนกึ้เนเอาไม่ต้องเคี่ยว <c oughs> ข้อผิดมากันไหมมารวยแบบนั้นไหมอันนี้ช็อกโกแลตกวาเป็นก้อนเราต้องเคี่ยวเนี่ยอพระเขาก็ฉันกัน่ะเราไม่ฉันละ่ะเราก็ถือไว้โอลถือไว้จนกว่าเขาจะเลิกกันไหวพระจันทร์สแสดงธรรมวันนั่นสแสดงคนนี้สแสดงหลวงพ่อก็สแสดงธรรมมันก็นานจับไปจะมามันละลายไม่เห็นเลย เอไม่เคยรู้จักศ็อกโกรลตเรามาจากไว้เมื่อร้ายไปจินตยานก็เหมือนกันนั้นก็คิดได้คิดถูกเหมือนกันเป็นปัญญาด้วยจินตยานนะ่นไม่ใช่กรมกรมฐานกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสัมผัสเอา้าไม่ใช่คิดไม่ใช่จำเป็นการสัมผัสอันนี้คือติอันนี้คือตัวหลง จำมันต้องสองอย่างเลยตัวลูกก็จำตัวลูกก็เห็นไม่ใช่จำตัวหลวงก็เห็นไม่ใช่จำนะมันเห็นไม่ใช่สัมผัสดด้ดยการเห็นชีมลดความรู้ชีมลดความเห็นเป็นการสัมผัส ด, ด้วยทั้งหมดเลยไม่ใช่กายอย่างเดียวทั้งใจด้วยอ่มันทำไมจำไม่ได้บ่มันทำไมจะไม่เห็นนะของที่มันเห็นมันต้องเห็น ไม่ใช่ไปหาดูของเทมันไม่เห็นเี่นไปดูสวรรค์บนฟ้าไปดูนิพพานบนชาติหน้ามันไม่เห็นอ่ามันเป็นธรรมนิพพานไม่ใช่อารมณ์นิพพานเป็นของที่ไม่มีตัวมีตนไม่เป็นอารมณ์ละอยู่ตรงไหนหลวงพ่อบอกอยู่ตรงที่ไม่เป็นเลยว่าไม่เป็นไรเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรอยู่ดีๆเป็นอะไรเหรอ เป็นผู้รู้หรือเป็นผู้ศกหรือไม่ใช่เลยเป็นผู้เย็นรือไม่ใช่เป็นผู้หมดทุกหรือไม่ใช่เป็นผู้ไม่เป็นเลยเป็นผู้หมดทุกก็เป็นแล้วเป็นผู้มีทุกก็เป็นแล้วไม่ต้องเป็นอะไรมันอะไรอ่ะอ้าพูดอะไรพูดแบบเล่นลิ้นหรือไม่ใช่ภาวะที่ไม่เป็นอะไรนี่นี่ถ้าจะบอกกันก็บอกเนี่ยแต่ ไม่เข้าใจเลยเอาหัวคิดปัญญาไปคิดเรื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะหัวแตกห้ามคิดเป็นจินเตะอ่าเป็นอ่าอะไรเป็นอาจินไตอาจินไตคิดไม่ได้คิดเป็นบ้าเลยเอาหลวงพ่อวันดีพางคือไม่เ ป, ไนะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรเป็นบ้าปไปเลยมาคิดนั้่งนี้ไม่ใช่ไปพูดเรื่องคิดนะ ผู้แทรการกระทําตั้งแต่รู้สึกตัวรู้สึกตัวในไปต้องทําต้องทําต้องท ำ, งท ำ, งทำใครจะมาอย่างไงใครจะรู้อะไรมาก็าต้องทําตรงนี้ก็รําไป่รู้ก็ทําตรงนี้ใครจะรู้ก็ทําตรงนี้ไปอย่าเปล่าความรู้อย่าเปล่าเหตุผลนี่เรียกว่าให้อย่าเจตัวุยกวงรู้สึกตัวให้ควาหลงตัวให้ดูเหมือนพิษ เหมือนวันนี้หลวงพ่อไปบอกน้องที่มันป่วยบอกให้ไปกินต้นหา้หาวันหกให้กินจากนาลายเราว่ากินมาละถามกัวพอ่อากินกินแล้วมันมันแพ้มันแพ้ ม, แพมันบีบ เออแสดงความคินั้นแหละมันดีถ้ามันบีบแตกไปกินมากกินทีละใบสองใบาสามใบกินแล้วมันแพ้อ่าไม่ดีแล้วสาใบาไม่ใช่กินมากกว่าแพ้หรือว่ามันเป็นยาและถ้าหวานทกด่ามันเป็นโรคอะไรก็ได้แล้วก็ออโรคปวดอัอนหนึ่งเป็นโรคปวดบอกให้กินปา ก, กิงก็ไม่กิน กินแล้วมันดีแล้วแต่ว่ามันไม่กินเองทำไมไม่กินไม่มีเอาเอาไปให้ทำไมไม่ปลูกปลูกอยู่ไก่กินหมดก็ต้องหาวิธีที่ไก่กินไม่ได้ไม่มีปัญญาเลยเอาปลูกแล้วเอาผ้าเขียวล้อมไว้มันก็ไม่ใกลกินได้ละอันนี้ไม่รับผิดชอบเองมันก็ไม่ได้ละตัวเองต้องผลอนคยง ก็ไปสอนทั้งไปด่ามันทั้งไปบอกกันแล้วเราจะไปให้ใหม่จะไปเอาไปให้มันปลูกไปต้องขยันจักหน่อยันเรามันหลงก็ต้องขยันรู้ก็ไปขยันหลงให้มันตรงมันข้ามเลยขยันรู้มันสุขก็ขยันรู้มันหลงมันทุกข์ก็ขยันรู้เอาไว้ขยันอย่างเดียวไม่เช่นไม่เช่นหน้า งานที่เราไปทำทําอะไรก็ทําแต่แรงนั้นหลันะกอิทไิ์ทํานมาใช่เราทําความรู้สึกตัวมัน ท, ำทํำน้งหมดเลยขยันรู้ขยันดูไม่เหมือนเราทํางานอื่นทํางานอื่นเช่นเราถากไม้ก็ถากแต่มาอยู่นั่นนะอันอื่นไม่ทำมันไม่ใช่มันไม่เป็นวัตถุอย่างนั้นความรู้สึกตัวมันเป็นนามะธรรมา สรความรู้ตัวขยันความรู้ตัวามันก็เป็นศีลขึ้นนะ่าเป็นการทําศีลเป็นทําการทําสมาธิเป็นการทําปัญญาเป็นการทําวิปัสสนาเป็นการทําญาณเป็นการทํามรรคเป็นการทำ ส, ทำทำส ม, ำญญำำำมำผลทำอย่างเดียวนะ่ะโอ๊ยมันสบายแบบนี้ทําไมปากันะชี้เกียรติหรอจับปันเดียวไปเป็นพวงเลยนะมันจะยากอะไร ทำไงพากันหลงอยู่หลายปีแล้วยังหลงอยู่ว่าแสงว่าไม่ไม่ทำจริงๆไม่ทำกรรมฐานพอบอกให้ทำกรรมฐานก็เอาถือว่าเป็นเรื่องยากสิเดียวคิดขึ้นมาชื่อกกรรมฐานก็กลัวแล้วนั่งไม่ได้หลวงพ่อ อานัา่งไม่ได้ก็เดินที่เดินก็ไม่ไหวปวดขาขามันปวดเข่ามันปวดเดินเมื่อไรก็นอนเถอะนอนก็มากก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้นี่อะไรไม่แต่ทำไม่ได้เลยเย็นก็ไม่ได้นอนก็ไม่เดินก็สติมันไม่ใชอยู่กับอริบทใดมันเป็นความรู้สึกตัวแม้จากการปวดก็เป็นเรื่องมีสติได้ฮะ ให้มีสติ ก, การปวดดูเปลี่ยนความปวดมาเป็นตวลูสักตัวดูซิแล้วมันเปลี่ยนได้จริงๆนะหัดเปลี่ยนลองดูมันปว ด, ดตัวปวดเป็นหนึ่งตัวไม่ปวดเป็น1น่ตัวลูเป็นหนึ่งลองดูซิจะไปหมดตัวกับความปวดไม่มีใครปวดท้องเท่ากับหลวงพ่อหอกหลวงพ่อคิดว่าในโลกเนี่ยปวดมากจริงๆนะแต่ถ้าจะเอาการปวดมาเป็น มาเป็นเวทนามก็ยิ่งใหญ่มากเอาการปรวดมาเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกันนบกามีตับมีไตมีไส้พุงมีอะไรมันก็เป็นโรคของเขามีตาก็เป็นโรคตามีหูก็เป็นโรคหูมีจมูกเร่งกายใจผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเยื่อในใกระดูกม้ามหัวใจตับปังเปือไตปอดไส้ใหญ่ไส่ไนอ้ําใหม่อานเก่ า, า, าไม่ได้เป็นโรคเท่านั้น เป็นอาการของเขาว่าโรกโลกอย่างเงีย้ยเนี่ยจะไปอยู่กับมันทําไมก็เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยไอ้นี่แน่นอนที่สุดเลยผู้ที่เจ้าตัดไว้ถูกต้องที่สุดเลยอย้าเนี่ยมันดีแล้ววัดเราเนะี่ยเหมือนกับโรงพยาบาลอย่างเง้นะอาเวลานี่เหมือนกับหมอ หลวงพ่อไปอยู่โรงพยาบาลจุลานะหมออุหลศักด์เป็นหมอที่ให้ยาหลวงพ่ดูแลบางวันท่านก็ไม่ได้มาหาเราสองวันไม่ไมาเอาคุณหมอไปไหนไม่เห็นมาเลยวันก็วิ่งอยู่แถวนี้หลวงพ่อเดินไปวิ่งไปโน่นวิ่งวิ่งไปตึกนั่นวิ่งไปตึกนี้ก็ไปเยี่ยมคนป่วยเหมือนกันมไม่ใช่ป่วยแต่เราคนเดียวต<ม><ม>ื่นก็ป่วยเยอะๆไปเลยหมอเนี่ย เดินไวที่สุดคือหมอเรานึงว่าเราเดินไวก็ไม่ทันน่ะท่านต้องคอยเราเวลาพาเราไปห้องอะไรต่างๆเดินไวปั๊บๆเขาขัดไปน่ะฮัดมาดีจริงๆไวที่สุดเลยเดินเน่ยเหมือนกับเมาแบบปลูไปเลยอาชื่อว่าหมอเน่ะเดินไม่ใช่เดินเหมือนเราเสมอแล้วก็ไม่ดูใครไม่มองใคร แม้แต่คนรู้จักกันก็ไม่มองไม่ถามไปเลยไม่ค่อยสนใจเอ๊เขาก็มีอ่าจันยาหมอแบบนั้นถ้าเราไม่เป็นหมอเห็นใครก็โอ้จะไปไหนเฮ้เขาจะไปตักน้ําอจะไปตักน <'s> okay. okay. right. so, ้ําหรือตั้งตั้งที่รู้ว่าเขาไปตักน้ํำนี่คนทำอะแต่หมอเขาไม่ถามนะเห็นเฉยอย่านึกว่าหมอก็าลังเกลียดเราเขาไม่รังเกียจเราเขา มีจิยญญาบันขเขาอย่างนั้นถ้าเดินเมื่อถามก็อยู่มันจะไปไม่ทันคนป่วยบางคนก็สองนาทีสามนาทีอย่างหลวงพ่อหายใจไม่ได้เนเะขาชาไปอีกห้านาทีหลวงพ่อก็ตายไปแล้วเขาไวาที่จุดเลยเขาก็ไหวถ้าหมอไม่ไหวก็ตายจริงๆนะเพียงวินาทีเพียงสองนาทีก็ตายไปแล้วมาทันหมอเอาทัน หาตายไปแล้วแต่ว่าตอนที่ตายไปหายใจไม่ได้มันหมอก็ไม่มีนะแต่ว่าหมอหมายทันบไปหมอกเกาเหล็กสอดเข้าไปในะปากตอนที่เขาหมอเอาเหล็กสอดเข้าไปในะปากเราไม่รู้แล้วแล้วมันก็คืนมาอาจจะเขาอาจจะมันยังไม่ตายจริงๆรงอาจจะป้องหัวใจก็ได้เนาะคนนะี้เนาะมันก็คืนมาได้เนี่ย ว่เาเนี่ไวๆอย่างน น, น่ะว่ามันหลงก็ไวทันดีเดี๋ยวไม่จะตายไปแหละตายเกิดดับเกิดดับอยูน่น่ะเกิดหลงก็ตายกับความหลงเกิดทุกข์ก็ตายกับความทุกข์เกิดโกรธก็ตายกับความโกรธช่วยกันไปไปทีช่วยตัวเองไปไปนะ่ะมีสติขึ้นมาบีติส ต, สติเป็นตัวไม่ตายอยากให้มันตายจากสติอย่าให้ดีจากตรง น, นี้ดูมันตรง น, นี้ไปอย่าไปเรื่องมนะันเป็นใหญ่หอบมาก บ้าหอบฟังมามีเรื่องอะไรมาเอามาคิดอยู่เรื่อยมาคำนึงมากม่อมอยู่ในสมองตนอ่ามีอะไรอยู่ในสมองเ<บ>งินก็มีความรักก็มีความจังก็มีลูกก็มีหลานก็มีเมีปัญญาสามีอคนละคนอย่างมีหมดเลยบางคนก็มากกว่างกงไก่ไฮโร ม, มีหมดบางเท่ก็ยาเสพติดยาบ้ายาหมามมีหมดเต็มในสมองนะ่ะ เผาพอรู้ใช่เราพวกมีหนังเสลนะี่ย์อ่ะผ่าสองคอนดูมีมีบุหรี่มีเหลา้ามีกวนเหล้ารลอยูอย่ในสมองมีบุหรี่ด้วยเอ๋เราแยกไปหมดเลยโอ้โหมันมากนะมันบา้าอุดชนคือคนบา้าเอามาทั้งหมดเลยความทุกข์ก็เอามาหอบมาถึงสุกโตเนี่ยความทุกขนะ์อ่ะความรักก็หอบมาเนี่ยความชังก็หอบมา ทำได้ความเสียหอบมาหอบมาอ่มันมาเพื่ออะไรมาเพื่อเอาทิ้งมาเพื่อให้ลูกมาเจออะไรจะมาาเรายิ่งชอบมันจะสมนำหน้ามันจะได้ลูกมันให้มันมาไม่ใช่ว่ามาชิดเลยโอ้ยอยู่ไม่ได้หลวงพ่อเดี๋ยวจะไปโน่นก่อนไปนี่ก่อนไปไหนล่ะอันนั้นก็ยังมาเจอย่างนี้ยังมาเจเอา ตอนที่มาล่ะไปคิดยังไงขาว่าจะไม่กาว่าจะมาอยู่ น, นานๆแต่มันอยู่ไปได้ทำไมอยู่ไม่ได้เพราะมันคิดไปทำนั่นทำไมเป็นงคิดเพราะมันคิดทำไมมันจึงไม่คิดล่ะเราไม่ควรรูสิตัดนันแล้วสิดูตัดดูตัดตัตั ด, ดตัวเจตับไปชิดเราก็ตัดมันตับไปชีดขึ้ามาก็ตัดมันเหมือนหมดลินมันเดินไปแถวอะ่ะ หลวงพ่อเตียงเคยสอนพวกเรา <c oughs> <c oughs> เดินไปในวัดป่าพุทธิยันวัเล่นเป็นนามเป็นแถวหลวเตียนเอาไม้ไปขวงเข็ดเข็ดปั๊บมาเล่นตอนใมาก็หยุดไ ม, กกดกมกด้ก็ขีดเอกแล้วเล่นมากระยุกขีดเอกขีดเอกบอลเล่นมาจํานวนมากเห็นถ้ามันไปไม่ได้ก็ถอยกลับไปถอยกลับไปไม่ไปเลยบอลเล่นน่ะนี่ รูตัดรูตัดแบบนี่ไงมันหลงกว่ารูอย่างนี้มันหลงกว่ารูอย่างนี้มันหลงกวรูอย่างนี้เอามอลลิ่นเป็นภาพสอนพวกเราเห็นไหมคุณพี่เห็นมอลล่นเดินไปแถวไหมฮะเห็นบดลลิ่นมันเดินไปเป็นแถวไหมเออเอาไปขีดตัดหน้ามันดูขีดไวปขีดไปเยอะรูตัดรูตัดไม่ไปเลยมอลลิ่นนะทำไม่สนมันน่ะความคิดนี่ยิ่งง่ายกว่บอลลิ่นนะ มันไม่มีตัวไม่ตนเหมือบนลิ้นเลยทีเดียวนฮะาน่ะรู้ตัวรู้สักตัวรู้สักตัวเนี่ยทำตรงนี้ดีเวลาปฏิบัติถ้าไม่ทำตรงนี้ดีมันก็หยาบมันก็เนิ่นช้ามันก็ด้านได้เหมือนกันนะด้านที่จะหลงด้านที่จะรู้ทั้งสองอย่างเลยรู้ก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้ลอยด้านไปเลย จะยังไงพวกเราแต่มันด้านนี่2สองอย่างมก็สอนไม่ได้หรือว่าคนดื้อพอไหวถ้ามันด้น้งเนี่ยสอนไม่ไหวนะเคาลองก็คอยขู่เด็กติดยาเสบติดจะไหมสี่ห้าปีนั้นนักเรียนติดยาเสบติดกันมากทีเดียวสร้างเึกแสงทองสองใจที่ลงไปหวานแจข้อร่วมกันกระหมอ เอาพอแม่ก็เอาไม่ได้ครูอาจารย์ก็สอนไม่ได้มาหมอหมอก็สอนไม่ได้หมอพามาหาพระพระก็สอนไม่ได้มาอยู่ที่วัดโพกทองนะ่ะง่ายผู้ใหญ่บ้านให้กำนันแ้วบตมานอนเฝ้าประตูวัดเวลาเอาดักเตียนมาอบรมมามันไม่ออกประตูวัดเดี๋ยวมันข้ามกระแพงไป แล้วก็กลับไปบ้านมันก็ามาดูไม่เห็นก็รู้จักบ้านเลขที่รู้จักชื่อมันรู้จักพ่อแม่มันบ้านใดบ้านใดแลวพ่อก็ตามไปตามไ ป, ไปตามไปกับตำรวจไปตามไปก็มันก็อยู่บ้านก็เลยเรียกมันมาพูดต่อหน้าพ่อหน้าแม่มันเนี่ยเธอ พ่อแม่ก็สอนเธอไม่ได้แล้วครูอาจารย์ก็สอนเธอไม่ได้แล้วหมอก็สอนเธอไม่ได้แล้วมหาพระเอกพระก็สอนมาเอกต่อไปเธอจะเดินอยู่ในถนนในประเทศไทยไม่ได้น ะ, ะเธอจะเดินอยู่ในไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันมีแล้วนเชื่อมันมีข้อมูลเจะยเจียนแล้วอยู่กับเราตำรวจก็รู่เธอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ พ่อก็สอนอะไรแม่ก็สอนอะครูกอายักยานก็สอนอะหมอก็สมนอะไรพระ ก, ก็สอนอะไรแล้วต่อไปจะให้ไปอยู่ค่ายทหารจากนอก้อยสองสามเดือนค่ายทหารไม่เหมือนไม่เหมือนอยู่วัดนะอยู่วัดนา้เป็นอิสระอาหารนายกินทำํำไรค่ายทหารแต่ต้องทํางานสามเดือนอย่างน้อยจะอยู่นี่ก็ได้แต่เ ธ, เธอไม่มีสิทธิเดินตามถนนทางเธอจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาอยู่ในป่าไป ถ้ายัางอยู่เป็นศิลาก็กลับไปอยู่นี่ก็ได้แต่ว่าเธอจะเดินอยู่นี่ไม่ไดถ้าจากนี่ไปไม่อีกกี่วันแเราก็จะก็เราก็เธอก็ต้องเข้าป่าไปถ้าเดินเทินอยู่ตามถนนทางก็เราก็จับไปห า, า, าค่าราชารเขาบอกพ่ออกแม่มาเราก็กลับมาพ่อแม่ไม่เอามาส่งเลยคืณนี้พ่อแม่เอาเด็กมาส่งหมดทุกคนเลยไม่เหลือเจ้คนเลยยอมเราเหนกันเลย วันบางทีอะเอาไม่แข็งใส่มะเราเนี่ก็เหมือนกันนะเราก็เหมือนกันเหมือนพระเจ้าสอนรองอะ่ะเลือดเนื้องเงยเอ็นกระดูกแกปู่พังไปก็ตามจะไม่หนีจากความรู้สึกตัวตัดสินใจโดยเดย็ดขาดเลยมันก็แพ้ไรเหมือนกันนะเราอ่อนแนเยาะเยะย่หญ่หญหญโอ้ยอ้ห น, นังเกิดช็ดค่อยเป็นค่อยไปเถอดนอลุกก็ยากจะนอนก็ยาก แต่ทอะไรก็ยากคิดน่าชิดละอุ้ยมันยากอะไรผมรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ออกรด้ออกแรงแค่ไหนเลยเล่ยืมก็ยังยากกว่างอย่างนี้จริงๆเราพ่อก็ฝึกตัวเดงมาเหมือนกับเราเนี่ยแหละพูดนี่พูดจากการฝึกตัวเองที่มันลื้อด้านมาเราเห็นตัวเองลื้อด้านเราเห็นตัวเองโง่เราเห็นตัวเองทุกเราเห็นตัวเองสุข เ, เ, เ, เราเห็นตัวเองโกรธหลงเลอะแกะไปเลย มากทีเดียวเลยการสอนเตยดยเห็นทุกชาติทุกรถทุกชาติเหมือนกันหมดความมุ่งเองหอนอนความคิดสงสรงเจตมหาเหมือนกันแ่ะอย่าถึงว่าเป็นคนเราคนเงินแม้แต่โยมกับพระอันเดียวกันอ่าเพราะนั้นเรามาเป็นเพื่อนกันมาปฏิบัติธรรมวันนี้หลวงพ่อจะไปดูเด็กแค่น่อยอ่าสนุกดีนะกบิ หอใจที่ไปอย่างนั้นอ่านี่นะเพราะรวจะคิดอะไรว่าเจ้าไม่ได้คิดแต่ไม่รวยจะทำอะไรมากทําไม่ทันขันิดห่วงจันทขันชิดที่ไปผ่าอยู่โรงพยาบาบลเวรลาอยากจะไปดูท่านเพราะท่านดูเราอย่างโศกโศนเพราะไปสังพ่อขี่ใจกระถนเนี่ยเ <c oughs> จกระชิดเนี่ยเอาไปล้างก็ไปทิ้งให้เลย นอนก็นอนหนัลเดียงไปไม่ได้อาจารย์โนดผมเนี่ยอาจารย์ตุ้มเนี่ยเช็ดชี้เชดเยียวทำไอาจารย์กางชีบก็ไปผ่าเนี่ยูัในไตที่โรงพยาบาลบุญยำเออโทรไปบอกว่าเพื่อ น, น, นแล้วผ่าวันนี้เพื่อนแล้วก็อยากไปดูจะไปไหมคุณพี่ร่างอ จ, จะไปไหนไปโอ้ยเยอะแยะไปเลย สนุกว่างานอนาะคิดจะช่วยเหลือคนอื่นนี่สนุกนะเนะาะว่าชีติฉาอิฉาเนี่ไม่สนุกนะเราคิดจะช่วย น, น, นั่นเียโอ้ยมันมีชีวิตธีวาจริงๆล้วพอคิดแล้วเล่นนะทำไมาจะสร้างบ้านแปดบหลังไหน่นาะใหอ้คนอ่มีอายุมาอยู่เมื่อได้บ้านแล้วเอาคนสมัครเข้ามาอยู่นับคนว ด, ด้วย ไม่ต้องแก่หรอเอาหนุ่มไม่ต้องแก่แต่ว่าเป็นบ้านจำลองผู้อายคุณหนูนิดด้วยมาอยู่นี่ามาอยู่ไหมหนูนิดไม่เก่ก็ให้เป็นของการนี่ลุงพ่อก็จะหาหาเงินมาให้เดือนละสามพันบาทมีนะคนที่จะช่วยอย่างนี้มีเยอะเลยคุณเบ คนละเดือนละสามพันบาทเอามาดูแลคนหนึ่งเดือนละสามพันบาทประกาศไปทั่วโลกเด้อเราพ่อเขารู้จักร า, ายประเทศเหมือนกันที่เขาที่เามีมีเงินมีทองพอจะช่วยเราได้นะเอาคนละสามพันสามพันต่อเดือนได้สักแปดสิบคนนะคนละสามพันเป็นเงินเท่าไหร่คุณผู้บริห <laughs> าอบ้านนี้มีนู่นเดียวไปผูกไว้รนูน่น ทิศตะวันตกเนอะน่ะรั่วเรียงรั่วกับแพงด้านทิศตะวันตกเขียงใต้เป็นมันหนาะมีน้ำเมอะไรเรียบร้อยแล้วปลูกแปดสิบหลังอาจารย์เป็นหลังคู่นะเหมือนกับของอมลิกิตอ่ะคนถ้าอยู่เป็นคู่เป็นคู่หลังเดียวแต่ว่าเป็นสองห้องสองห้องเราเราก็มีคนเข้าไปอยู่เมื่อบางคนเข้าไปอยู่ถ่ายรูปไปให้คนมาเป็น คูอุปการะคนอายุสูงอายุเมื่อไดงันมาเราจไปจ้างให้ฝันนะเอาไปจ้างคนมาดูแลมาทำอาหารในจินมาดูแลให้เงินเดือนเขาหลวงพ่อก็ดูแลจะเทศนั่งเทศน์อยนี้ต่อมาบ่งไปถึงกติทุกหลัง เอาไหมาหลวงพ่อเคยเคยเคยอยู่ที่ชาบแบบนี่นะหลวงพ่อเคยไปอยู่ก็ อ, อะไรเขาพูดกันนั่นได้ฟังเทศตั้งอยู่กติของตนเองเวลาเจ็บแค่ไหนป่วยก็บอกมากติมาเลกนั่นแล้วนี่บอกมาเราก็จะไปได้ทันทีเเต่นี่เขาเจริญก็นานะ้าไม่ต้องไปตามกันอย่างวัดเรามันใหญ่กว้างใหญ่ต้องใช้ระบบล่านั้น มันก็ทำได้อาจารย์ทรงชินเนี่ยเป็นสาเร็จในเรื่องนี้ทำงานทำกา ร, รอนี้ได้โดยเฉพาะข้ว ง, งจรอาจารย์ทรงเินเป็นอาชีที่ทำให้ล่ามข้าต่างๆทั่วเทศอกเราพ่อประยู่สลัดเนี่ยอยู่ตะขอนชิกาโกนอนอยู่วัดธรรมาราม เอ้ ه, วันนั่นทําไมมันร้อนไม่เหมือนวันอื่นกลคืนนอนร้อนต้องอ่าวันบ้านไม่ปปกติแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ดูเห็นเห็นรถฉลามเปิดไฟว้วว้วววตีไฟมันเข้ามาประตูอะไรตีไฟใส่กะตีย่างไงว้าวโวของมันเรื่องอะไรแล้ว่าเลยลองไปดู ลงไปดูล้วก็มาเรียกพระที่อยู่นั่นหลวงพ่อพูดภาษาเขาไปได้ก็เรียกว่ามันเรื่องอะไรเนี่ยมาดูชิเนี่ยเขาเปิดหวอรถจี๋ไมันเรื่องอะไรพอเขาเจ้าวาดเขาลองไปปั๊บเขาพูดกันรู้เรื่องเขาบากว่าวัยบรรชชไปมันจะไม่พอเปิดออกเขาวิ่งมาเลยนะพอวิ่งมาเขาไปทำต้นไวทันทีคาเต้าต้นไวเขาไปแจ้งให้เราเลย อีกไม่นานไฟจะไหม่กติเลยไฟมันชดทำไมเขารู้ไฟอยู่บ้านเราทำไมเขารู้เน่ะเพราะมีคอมพิวเตอร์เขาดูเนี่ยระบบของเขาเนะี่สมมูรณ์มากที่จุดเลยบ้านเราเนี่ยไฟไหม้โทรศัพท์แจ้งหน่วยระเบิยงกวาดหนวรเะเบิยงย่้อไฟไหม้หมดแล้ว <laughs> ขเขาไม่มีะนะวิทําทำได้呀เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันในการศึกษามาก อ่าเราพ่อก็อายุเอาเลขเกียรติไว้หลังแล้วมันบ้านแปดสิบหลังก็ฝันไปจากนนั้นหรอกอ่า อ, อาจารย์มหาอาจารย์พวกเราทำแทนอ่าสนุกดีนะอ่า เ, เราก็ได้นะไม่เป็นไรอันนี้คิดเลน่เลนๆนะฮะ อ, อยากไปแบบนี้อยทำมนโนนทำนี้สนุกดีแต่ไม่มีงานทำน่ะมันไม่สะดอก เฉย น, นอนเฉยเฉยนอนไม่ได้รอแต่นอนได้บางบางโอกาสตอนเย็นมาหรวงพ่ก็นอนแต่หลับกอนสองทุ่มหลับกอนสองทุ่มนอนเลยปุ๊บหลับไปเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนอนหลับเนื่นว่าไม่มีใครมาแล้วปิดไฟเพวันนั้นอาจารย์เติมก็ไม่มาอยู่อาจารย์นนท์ก็มาอยู่ปิดไฟลกประตูหนะ้ตาต่างหมดอาจารย์เุิมมา คงจเรียบผมองอไม่ทเลย <laughs> อาอาจารย์ตถามย้อยนอตัวอาจารย์ทำไงยังเข้ามาได้เป็นเป็นเฮ <laughs> ้ยวัตายวันเนื่ยนอนนะ่ยมันหลับจริงๆนะนะถ้านอนก็นอนจริงๆนะไม่ต้องคิดอะไรนะไม่ระวังนะมันหลับสบายกินก็สบายหลับก็สบายทำอะไรก็สบายไม่ต้อง หลายใจไม่ต้องคิดแล้วอยู่นี่เราคิดถึงไหนล่ะถึงบ้านเลยมาจากบ้านนอยเยี่ยวคิดถึงน้อยเยีวไห้นะมันไปห่อมันเล่นไปล่ะไม่ต้องไปนั่งอยู่เนี่ยมีประโยชน์อะไรไม่เล่นกันนั่งอยู่เนี่ยปิกมือ <c oughs> มาเถอะมาอยู่ด้วยกันนะเอาเป็นเพื่อน <c oughs> ได้เนี่ยนะมาด้วยกันมาด้วยกันจะเป็นยังไงหมาหลงมาฉุกมาฉุกมาได้อ่านะอย่าทุกคนเดียวอย่าหลงคนเดียวอย่าชุกคนเดียว แบ่งกันน่ะเอากวามทุกก็ อ, อย่าทุกคนเดียวบอกกันที่มีปัญหาเรื่องใดบอกกันเราพอใจที่จะเป็นเพื่อนกับคนทุกขเราพอใจที่จะเป็นเพื่อนกับคนเจ็บเราพอใจที่จะเป็นเพื่อนกับคนแฉะเราพอใจที่เป็นเพื่อน เป็นสิ่งที่ควรฟังเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพราะว่าการฟังทำการเห็น